เรงคำว่าสัญญาเนี่ยเรื่องแรกหลวงพ่อทาเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธียวการก้มลงเนยขึ้นเอียงซ้ายเอียงหัวรู้มันพิษตาก็รู้เปนธรรมดาก้มเหนยอย่างเนี้ยคนอื่นมองไกลๆ ก, ก็เห็นมือก็แว้งไปแก้งมาอย่างนี้คนอื่นก็มองเห็นไกลๆเดินเดินนั่งนอนคนอื่นเห็นมันไกลอันนี้ยากอป็น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 ใหายเมือ่ก็เราพูดได้ทำไมจริงไม่ทิ้งคนว่าใจหายแต่เรารู้จากเราไม่รู้อันนี้แสดงว่าเราไม่มีสัญญาเราไม่รู้เพียงสัญญาจำมาจากคำพูดของคนว่าใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีใจหายเราไม่ได้มีสัญญาแต่มีมีสัญญาแบบสัญญาไม่ลูะรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้มันไม่รู้รู้อย่างไม่รู้เมื่อมันโกรธขึ้นมาทำไมจริงไม่ทิ้ง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 มันจะเกิดญาณปัญญาเรียกว่าสัญญาตัวนี้เองควมรู้อันนี้แหละมันพิกกะระลุ้มกะระ้เอียงซ้ายเอียงหัวก็รู้อะไรรู้เข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็ต้องพยายามทําควมเพียนไม่เลิกละไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอรเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีทางมานีนแล้ว น, นี่แหละการเดินทางไม่ใช่จะเอาหัวไปเดิน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 ไม่่อยติดถ้าเป็นสีดำก็ไม่ดำผ้าถ้าเป็นสีแดงก็ไม่แดงผ้าไม่ไม่ไปตามสีได้แบบ น, นี้ดังนั้นเดี๋ใหู้ลจอกจะเกิดมาทำไหมเพื่ออะไรแก้ปัญหาที่ตรงไหนเรียนหนังสือจบประโยคก้าธรรมะนะเรียนหนังสือทางโลกปริยัยเอกได้เงินเดือนแต่วามทุกอย่างนี้อย่างโควิดบ้านหวงพอรกว่าอย่งวิดอย่างบุพนั่น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 ถ้าหากเป็นคนจริงๆแล้วนามสีจะไม่ติดติดกันน้อยที่สุดจะสลัดทิ้งทันทีนี่แหละเราต้องศึกษาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจจริงๆดังนั้นจูว่าทุกคนปฏิบัติได้ไม่หวิดอยากฝีมือของเราเองถ้าหากเรามีศรัทธาแท้นะถ้าหากศราไม่จริงศรัทธาหัวเตาจะหลุบหลุบเนินเนินศรัทธาหัวเตาบ้านหลวงเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเตาโจเตาเนี่ยคน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 อันน่้นเขาเอื้นศรัทธาหัวเต้าตเพิ่ว่าบ้านหลวงพ่อขาจาวัายนนดังนั้นจิงว่าให้เราศึกษาให้เข้าใจการศึกษาทางทฤษฎีตำรับตำราานั้นดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าเราจริงหรือหรือไม่จริงถ้าหากยันมีความสงสัยน้อยก็ทุกน้อยมีความสงสัยมากก็ทุกมากเรื่องแรกต้องเอาหนหน้าไหนด้านม ใ, ให้ได้นะคือโทษส โมหะโลภะเนี่ยต้องเป็นนักมวยเอาเป็นเซีนเปี้ยนจุดนี้ก่อนเมื่อเป็นสซมเปี้ยนได้เราก็เอาขึ้นไปซกไปขึ้นเวทีไม่ต้องค้อยขูแล้วซกไปซกไปก็ถึงที่สุดได้